กี่กันก็ไม่สราบเทศทุกคืนทุกคืนตั้งแต่วันที่สองเรื่อยมาคําเทศก็รู้สึกจะหมดไม่มีอะไรเหลือแหละเก็บเลอกผสมน้อยแล้วยังไงก็ภรวณาฟังไปตามมีตามเกิดวันนี้วันนี้จะไม่เกินอะไรไปมาก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 เพราะศาสนธรรมออกมาจากท่านผู้วิเศษพระทัยของพระพุทธเจ้าเป็นพระทัยที่บริสุทธิ์ยมุดหลุดพ้นไปแล้วด้วยดีไม่มีสิ่งจอมปล อ, อ, อมเข้าแสงอยู่ภายในจิตใจพอจะเป็นเครื่องหลอกลวงโลกแม้แต่น้อยเลยส่วนจิตใจของเราทั้งหลายเต็มไปด้วยกิเลสซึ่งเป็นเครื่องหลอกลวงตนเองอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจึงหาความแน่นอนไม่ได้ในความคิดความเห็นของมรู้ต่างๆที่เกิดขึ้นจากใจที่มีกิเลสเป็น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 ซึ่งไม่ใช่ทางที่เราต้องการหรือจุดที่หมายที่เราประสงค์ก็ได้แต่หลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วโดยทางเหตุนี่เรียกว่าแนว ท, ทางที่ถูกต้องดีงากซึ่งเป็นที่แน่ใจของเราทั้งหลายซึ่งตรงกับเราได้เปลี่ยนวาจาถึงท่านว่าพุทธทางสนางขถ า, ามิแปลว่าข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้าทำมางสนางขถ า, ามิข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระธรรม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 ทำที่ปรากฏขึ้นให้โลกได้กราบไหว้บูชาทุกวันนี้ก็ออกมาจากพระไทัยของพระพุทธเจ้าที่ทรงประพฤติปฏิบัติโดยชอบแล้วนั่นแหละบรรดาสงฆ์สามกต่ก่อน์ท่านก็มีกิเลสหนาะปัญญายาบเช่นเดียวกับพวกเราทั้งหลายแต่กลายมาเป็นพระนางคัจฉ า, ามิอมือสุดสุ ด, ส, ดส่วนให้เราทั้งหลายได้กราบไหว้บูชาขอบพ่อการประพฤตปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทานนี่แหละ บรรดาท่านผู้วิเศษทั้งหลายที่เรากระอ้างว่าเป็นศาสนานี้ไม่ได้สําเร็จมาจากอันใด น, นอกจากมาัทิตมาปฏิบัติที่พระองค์ประทานไว้นี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นเราที่ได้เกิดมาในเป็นความเป็นมนุษย์และได้พบพระพุทธศาสนานและบําเพ็ญคุณงามความดีจึงเป็นอันว่าเราได้ดําเนินตามแนวทางที่ถูกต้องดีงามของพระพุทธเจา้าจึงขอได้พากันเจริญบําเพ็ญไปเรื่อยๆ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 รรมำบุญก็คือความสุขกุศลก็คือความฉลาดผู้มีความฉลาดยอมต่แสงหาความสุขได้พระพุทธเจ้าก่อนจะได้ตรัสรู้เป็นศาสดาก็เป็นผู้ฉลาดสามารถแยกแยะสิ่งที่เป็นข่าสุกหรือเป็นภัยต่อพระไทยออกได้โดยชิ่นเชิงด้วยความเฉลียวฉลาดที่เรียกว่ากุศลผลที่ปรากฏก็คือบรมมาสุขได้แก่มิตพานังปรมังสุขขังที่องค์เจ้าทรงกร อ, องอยู่ตลอดไป นี้เกิดขึ้นจากความฉลาดคําว่านิพานังปรามังสุขขังคือพระนิพพานเป็นความสุขอย่างยิ่งนั้นจะได้ครองสำหรับท่านผู้สาเร็จมรรคผลนิพพานแต่การเดียวแต่ความสุขอย่างยิ่งนั้นไม่ว่าคนมีประเภทใดบรรดาที่มีกิเลสก็ย่อมต้องการด้วยกัน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 อารมณ์แห่งธรรมเป็นอารมณ์ที่ดีงามเป็นอารมณ์ที่สดชื่นเป็นอารมณ์ที่ให้เกิดความสุขความสบายแก่ใจเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้บำเพ็ญสุตนลมีทานศีลภาวนาเป็นหลักสําคัญแต่เพอะอย่างยิ่งการภาวนาเป็นอารมณ์ของใจล้วนๆคือการกําหนดจะ ก, กําหนดทำบุบรใดก็ตามเช่นกําหนดพุโทโธพุโทโธให้มีความรู้สึกอยู่กับคําว่าพุโทโธโดยไม่ปราศจากสติคือความรับรู้ในคำริกรรมของตน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 เท่าที่จิตหาความสุขไม่เจอตั้งแต่ไหนๆมาก็ตามก็เพราะจิตไม่มีความสงอบนั่นแหละจิตมีความพุ่งสา่านวุ่นวายอันเป็นการก่อความจนอยู่เสมอจึงหาความสุขไม่ได้ก็คิดว่าทางโน้นจะเป็นสุขที่นั่นจะเป็นสุขสิ่งนั้นจะเป็นสุขสิ่งนี้จะเป็นสุขสุขท้าก็ไม่เจอความสุขเพราะไม่หาไม่หาที่ควรจะเจอพระพุทธเจ้าท่านทรงค้นพบความสุขในทางใจด้วยการประพฤติปฏิบัติ มีอนาพานัติเป็นสาคัญทิพยองค์รงบำเพ็ญในกาก่อนที่จะตรัสรู้ใจอาศัยอารมณ์อันเป็นธรรมเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจย่อมจะมีความสงบเมื่อใ จ, จมีความสงบใจจะมีความร่มเย็นและมีความเป็นสุขขึ้นภายในตัวเองนี่แหละคือสรณะของใจพุทธทางคานังคัจฉามิเราก็น้อมพระพุทธเจ้าเ ข, ข้ามาสู่จิตใจของเราเพื่อให้เป็นอารมณ์ของใจ ทำมังสนางกฉามิเราก็น้อมเอาพระธรรมที่ท่านตรัสรู้เข้ามาเป็นอารมณ์ของใจสั้งขังสนางกฉามิเราจะน้อมเอาบทใดก็ตามเข้ามาถูกจิตใจของเราเพื่อเป็นอารมณ์ของใจแล้มีสติระมัด ร, ระวังรักษาอยู่เสมอใจจะมีความสงบด้วยบุตธรรมนั้นๆแล้วก็เป็นความสุขขึ้นมานี่ท่านเรียกว่าจิตสงบจิตสงบกับความสุขนั่นน่ะนั้นเกิดขึ้นในขณะเดียวกัน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 มีถึงพระนิพพานเป็นสําคัญพระปราดทั้งหลายท่านจึงเนี่ยแนวทางให้พวกเราทั้งหลายดําเนินคําว่ามัติมาปฏิบัติคือแนวทางที่แนวทางที่ถูกต้องดีงามให้ถึงจุดหมายปลายทางมีพนิพพานเป็นสําคัญแต่การบําเพ็ญกุญญามความดีย่อมขัดต่อพิเลสกิเลศเป็นข้าศึกต่อใจต่อธรรมอยู่เสมอทณะที่จะทํากุญญามความดีไม่ว่าประเภทใดๆ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 หลอกลวงพวกเราเราจึงเป็นไปตามแถวของกิเลสอยู่เสมอจะทำคุณงามความดีอะไรก็มีแต่กิเลสมาขัดขวางขัดขวางอยู่ตลอดเวลาเพราะเหตุไรเพราะกิเลสนี้เป็นสิ่งที่แนบอยู่กับจิตตลอดมาตั้งแต่กลับไหนกันไหนเป็นอาจารย์ก็เรียกว่าศาสตราจารย์ชั้นเอกจนไม่มีทางที่จะคิดว่ากิเลสนี้เป็นภัยต่อตนเองเพราะฉะนั้นกิเลสกับเราจรึงพัวพันกันอยู่เสมอ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 ความฟุงซ่านอันแท้จริงและความสงบอันแท้จริงก็คือใจเป็นตัวการท่านสอนเข้ามาที่นี่ทั้งนั้นไม่ว่าคำพิไดใดแปดหมื่นสีพันพระธรรมขันธ์ท่านชี้เข้ามาในตัวจับตัวบุคคล น, นี้อย่างเดียวไม่ได้สอนไปต้นไม้ภูเขาหรือวิญญาณอากาศที่ไหนศาสนาธรรมจึงสอนลงที่ใจเป็นสําคัญเฉพาะอย่างยิ่งสอนลงที่มนุษย์ศาสนาก็ประทานไว้ที่มนุษย์ของเราให้เป็นเพราะเป็นผู้รู้ดีรู้ชั่วรู้สุครู้ทุกข์ซึ่งควรจะกระพฤตปฏิบัติตามหลักธรรมของท่านได้ จึงได้ประธานโอาวาทไว้กับภุมนุมคนคือมนุษย์ของพวกเรานี่แหละมีได้กลา่าวถึงเรื่ององค์สมาธิอันแท้จริงคือใจความฟุ้งซ่านบุญวาที่ก่อความเดือดร้อนให้แก่ตนเองก็คือใจเพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยความสงบด้วยการภาว น, นาให้ใจรับความสงบร่มเย็นเมื่อใจมีความสงบร่มเย็นแล้วจะคิดอ่า น, นตรองด้วยปันทางปัญญา ทิจนาถึงเรื่องสาระคือในจังซุก ข, ขงาาังนาตาซึ่งประกาศกัางวานอยู่ภายในกายในจิตของเรานี้ได้เห็นอย่างชัดเจนขึ้นมาโดยลําดับนั่นแลจะเห็นทางที่แก้ไขถอดถอนกิเลสหรืออุปทานซึ่งกองอยู่ภายในจิตใจของเราออกโดยลําดับลําดับคําว่าปัญญาคือความเฉลียวฉลาดความคิดอ่านใจตองด้วยความรอบคอบขอบคิดในสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับใจ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 เฉพาะธรรมของพระพุทธเจ้าเท่านั้นนอกนั่นกิเลสไม่เคยยอมอะไรไม่เคยกลัวอะไรทั้งสิ้นกลัวแต่ธรรมอย่างเดียวเฉพาะอย่างยิ่งคือศรัทธาความเชื่อวิริยะความเพียรสติความระลึก ร, รู้อยู่ตัวอยู่เสมอปัญญาเป็นสิ่งสําคัญเป็นเครื่องฟาดฟันกิเลสแน้จะมีหนาแน่นยิ่งกว่าภูเขาก็ตามปัญญาจะสามารถตัดถาดกระจายไปได้หมดจนกลายเป็นผู้บริสุทธิ์ขึ้นมาภายในจิตใจของตนเฮียร์ข้ามว่าปัญญาแท้อยู่ที่ใจ ท่านชี้ในตำลับตำนามากน้อยอย่างไรท่านชี้เข้ามาสู่ใจของคนของสัตว์นี้เท่านั้นเพราะเหตุใดเพราะถัดจะทําทั้งสี่มีอยู่กับมนุษย์เราถัดก็มีแต่ไม่เหมือนมนุษย์เพราะฉะนั้นจึงต้องสอนมนุษย์คํ้า ม, มาทุกทุกที่ไหนเป็นสาคัญทุกที่กายที่ใจเฉพาะอย่างยิ่งทุกที่ใจกายมี เนรมเวลาอยู่บ้างส่วนใจนั้นรู้สึกจะยุ่ยงเหืิงวุ่นวายตลอดเวลาเพราะควรตัวเองอยู่ด้วยความพิดความปรุงต่างๆอันเป็นพิษทัยแก่ตัวเองจึงต้องได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนเสมอจิ่งเหล่านี้ท่านเรียกว่าสมูทัยเป็นผู้พิดขึ้นมาคือความพิดความปรุงทั้งหลายอันเป็นสิ่งที่ผูกพันเนร่าดึงตัวเองนั้นท่านเรียกว่าสมู ท, ทยัยผลที่เกิดขึ้นจากสมูทักทยก็คือความทุกข์ใจความร้อนใจ มากได้แก่สติปัญญาพิจิตรณาสิ่งที่เกิดขึ้นภายในจิตใจด้คิดปรุงที่แต่งนั้นปรุงไปด้วยเหตุใจปรุงในเรื่องอะไรพิจารณาด้วยปัญญาให้เห็นแจ้งชัดเจนในสิ่งเหล่านี้ก็ถอดถอนไปได้โดยลําดับนี่ท่นานเรียกว่าปัญญาถอดถอนกิเลสการถอดถอนกิเลสก็ถอดถอนไปโดยลําดับดลําดับจนกระทั่งถึงถอดถอนโดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลือภายในจิตใจเลยจิตใจ ย, ยังนั้นก็เรียกว่าเป็นจิตใจที่บริสุทธิ์เพราะอํานาจแห่งสติปัญญาเป็น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 ออกได้มากน้อยเพียงใรเรื่องนิโรธคือความดับทุกข์ก็ดับไปตามๆกันโดยลําดับลําดับลําดับเมื่อถึงขั้นสุดท้ายคือความดับทุกข์ด้วยอํนนานาจของนักอย่างเต็มที่นิโรธก็แสดงตัวอย่างเต็มทุ่มีเรียกว่าสัจธรรมทั้งสีได้ทํางานโดยสมบูรณ์คือมากก็ทํางานแก้กิเลสโดยสมบูรณ์เต็มที่นิโรธก็แสดงขึ้นมาอย่างเต็มที่ทั้งสี่อย่างนี้เป็นกิริยาแห่งการกระทํา ทุกสมูทัยเป็นเครื่องกัก้นกลางมรรคผลนิพพานสำหรับบุคคลหนึ่ ง, งไม่ใช่การไม่ใช่สถานที่ไม่ใช่ผู้หนึ่งผู้ใดทั้งหมดที่จะเป็นผู้กัก้นกลางมรรคผลนิพพานให้ให้กันและให้แก่กันและการ น, นอกจากตัวเองนี้เท่านั้นเป็นผู้กัก้นกลางมรรคผลนิพพานแกต่ตนเองคือทุกขกสมูทัยซึ่งมีอยู่ในตัวของเรานี้แลเป็นตัวกัก้นกลางมรรคผลนิพพานไม่ให้เกิดทห้มีขึ้นมากคือข้อปฏิบัติ คุณงามความดีทั้งหลายมีศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นนี้คือเครื่องมือเป็นเครื่องบุกเบิกหรือถอดถอนทุกข์กัตมุทัยทั้งหมดนี้ออกจากจิตใจได้นิโรธก็ปรากฏตัวขึ้นมามรกคสองสองบทสุดท้ายคือนิโรธกับมรรคนี้เป็นทางบุกเบิกให้พ้นจากความจีดฝังทั้งหลายอันได้แก่ทุกข์กัต ม, มุทยัยสุดท้ายก็เราเองเป็นผู้บุกเบิกหากาง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 มีกฎเกณฑ์บังคับได้เลยว่าเราเคยมืดมาทั้งกับตั้งกันแล้วเพียงไฟที่เปิดขึ้นขณะเดียวเท่านี้ไม่สามารถจะทํามาความมืดของเราไปได้อย่างนี้ไม่มีสําคัญที่ความสว่างปราปกฏขึ้นความมืดก็ดับไปอันนี้ทั้นในเรื่องคิเลตจะมืดมากี่กับขีกันก็ตามอยู่ภายในจิตใ จ, จของเราเมื่อสติปัญญามีความสามารถเจริญก้าวแล้วแทงทะลุลงภายในกิเลตคิเลดท้ายแต่หมดเหลือแต่ความสว่างกเท่านั้แจ้งความมืดด้วยคิเลตนั้นศูนย์ไม่มีเหลือภายในจิตใจกลายเป็นความไม่สุขขึ้นมา นี่แหลที่ท่านบริสุทธิ์ท่านบริสุทธิ์อย่างนี้บริสุทธิ์เพราะเหตุใดบริสุทธิ์เพราะหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นธรรมของพระเจ้ามีมัชฌิมาปฏิปทาเป็นสาคัญจึงเรียกว่ามัชฌิมาคือศูนย์กลางอยู่ตลอดเวลาทั่วโลกทินแดนไม่มีอันใดที่จะเหนือมัชฌิมาไปได้กิเลสตัวใดไม่มีที่จะเหนืออํานาจของมัชฌิมาปฏิปทานนี้ไปได้จึงเป็นธรรมที่ว่ามัชฌิมาสมควรแก่การแก้กิเลสแก้ความวทุกข์ทรมายอยู่เสมอไป ท่า น, นขอให้ท่านทั้งหลายได้นำบัคตินิสทพิเจรณาเราสามารถในการปฏิบัติในแง่ใดซึ่งเป็นคุณงามความดีสําหรับเราขอให้ใพ่มีความขยันหมั่นเพียรกระพืชปฏิบัติทาจัดสิ่งที่มัวหมองภายในจิตใจของตนให้มีความสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาผลสุดท้ายเราจะมีความสุขความเจริญทัื่อํานาจแห่งการประพือปฏิบัติการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรในเวลาจึงของยุดติดลงเพียงเท่านี้เวลานี้เราปฏิบัติยังไม่เข้าเเหรอ <า>แล้วทราบแรงว่าไว้แม่เข้าทํายังไงอ๋อประลาปฏิบาตแหลกไปหมดอย่างนั้นเหรอืออธินาทานแหลกไปหมดอย่งนั้นเหรือการไมตุนิจจารแหลกไปหมดมุตสาวาตแหลกไปหมดกุลาแหลกไปหมดกินทุกวันอย่างนั้นเหรอือถึงว่าถือกับรามัชฌีมาฮะเพราะว่าไม่เข้าใจคระองคั้วนี้ว่ า, าไม่ถูกว่างั้นก็ต้องถามเพื่ความไม่ถูกทํายังยไงถึง<า>ไม่ถูกเนี่ยฮะเพราะว่างั้นคือ ก่อนจะกินนี้กยอิบายให้ฟังแล้วหลักการปฏิบัติขั้นก่อนอธิบายไว้อย่างชัดเจนแล้วมัชฌิมาปฏิบัาคืออะไรบ้างธรรมมาที่ติดธรรมมาทังกโปเป็นต้นความเห็นยังไงมันชอบคือเป็นการแก้ที่เลตความเห็นยังไงเป็นการส่งเสริมพิเลตแล้วก็พอจะทราบได้ถ้าให้ปลุกใจสงบไม่ได้ใจสงบได้ก็แสดงว่าถูกตั้งที่จะสงบ ทำภาวนาถูกก้องพอทำเรื่อยๆมันก็ขายิ่งไปเรื่อยๆถ้าเป็นการเสริมกันเรื่อยๆมันก็ยิ่นไปเรื่อยๆมื่อยังเด็กเมื่อรับการบำรุงอยู่เสมอเดยกก็ข้าเจริญเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆจะว่าเด็กยิ่นไปเรื่อยๆก็ได้แต่เขาไม่ยอมเรียบการเขาเจริญเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆไม่ว่าสิ่งใดถ้าจะรับการบํารุงส่งเสริมอยู่เสมอ ท้งฝ่ายั่วฝ่ายีจะมีทวามเจริญขึ้นดันางนั้นทางดีเราก็พยายามส่งเสริมหรือว่ามุ่งเสมอมันก็ค่อยยิ่งขึ้นเรื่อยๆทีเจริญขึ้นเรื่อยๆอาิตยอาทิตย์อาทิตย์อาทิตย์ข า, าขอะไรทั้งกว่าออกลงไปหมอไปตอบประก็รเฮอ อย่างนี้ก็รู้สึกมีอะไรผึดนกันนะเส้นคิดกลงปัดคิกลงเป็นหังคิดปะเมวะมิจตูสัพเทตูเรนตูสังกะปาจานโทปนะระโสยะฐานมนิโชติระโสยะทาสัพพิโยวิวาชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัสมันตราโยสุขีทีพายุโภภะ อะพิวาธนะศีริสระมิจจังมุทภาจาญโนจัตตาโรธรรมาวาทาติอายุวันโนทิหางอาลางภวะตุสับพมังคารังภรักขันตุสับพระเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสรังคานุภาเวนสทาพโสธีภาวันตุเต